เก้าสิบสามกายนี้แหละสำคัญนักที่ต้องสำ ม, มาทิถีให้ได้การได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูได้กลิ่นด้วยจมูกได้รสด้วยลิ้นได้สัมผัสทางภายนอกด้วยรูปสิ่งที่ถูกรู้ทั้งสัมผัสภายในด้วยนาม้ารู้ที่ทำหน้าที่รู้ได้จึงจะชื่อว่ากาย อาิวัฒนะคำเรียกชื่อของภาวะที่สัมผัสจากภายนอกด้วยก็คือรูปกายและอาธิวัฒนะคำเรียกชื่อของภาวะที่สัมผัสกันอยู่ภายในก็คือนามกายกายทั้งสองนี้เมื่อมีอาการจึงจะเห็นนิมิตต่างๆนิมิตนี้คือเครื่องหมาย ที่เรากำหนดหมายให้แก่ตนเพื่อรู้โดยกำหนดลงไปที่ภาวะเราสัมผัสอยู่นั้นนั้นเครื่องหมายที่เรากำหนดรู้เอาได้นี่แหละคือนิมิตคำว่านิมิตในที่นี้จึงไม่ใช่การเนรมิตหรือการบันดาลอะไรหรือการสร้างอะไรขึ้นมาได้อย่างเก่งลึกลับ อย่าหลงผิดกันก็แล้วกันลิมิตนี้เป็นอาการของรูปกายหรือนามกายที่เกิดขึ้นมาจากการสัมผัสกันของธรรมะสองเทเวธรร ม, มาซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมจะเห็นปัสติกายของรูปและเห็นปัสติกายของนามรูปกายต้องเรียนรู้เป็นขั้นต้นไปตามลำดับ จึงจะถูกต้องตามแบบฉบับของพุทธเพราะเป็นขั้นโอราริกอาตาขั้นหยาบต้องมีพร้อมการสัมผัสภายนอกคือกามาวจรจึงจะเกิดจิตเจตสิกรูปนิพพานให้เราเห็นซึ่งจะเห็นทั้งความเกิดความดับของภาวะทั้งหลายที่สำคัญอย่างยิ่งก็ เห็นความเกิดเห็นความดับของนามธรรมอันเป็นความสุขความทุกข์เป็นกุศลจิตอะกุศลจิตได้ตรงตงทงทางหมดนั้นต้องมีวิญญาตะที่รู้สึกทางใจมาประกอบมารวมเข้าด้วยเสมอซึ่งเป็นการวิเคราะห์อย่างบริบูรณ์ของสิ่งที่ประกอบทั้งหลายด้วยวิถีทางทุกประการของ ปชานาติรู้ชัดค้นพบอย่างรู้เห็นความแตกต่างตามความเป็นจริงปติญญาตอันรู้เฉพาะแล้วไม่เช่นนั้นไม่ครบครานบริบูรณ์จนสามารถสรุปความจริงได้